ความสุขความเจริญยังมีแต่ท่านผูกฟังเท่าไรสมาธิสูตรในมัชิมนิกายมูลปัญ น, นาตนั้นในช่วงที่พระตถาจารย์ท่านอธิบายท่านได้ขยายข้อความซึ่งมันเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์มีอย่างที่เคยบอกไว้ว่า ชีวิตของมนุษย์เรากล่าวโดยสรุปที่จริงเนี่ยคือถ้าเราเดินไปบนกระแสของกุศลก็คืองดเบนจากการประทุษร้ายต่อชีวิตต่อทรัพย์สินต่อคู่ครองหรือเบนจากการพูดเท็จพูดโสเสียพูดคำหยาพูดเลวไหกยายกรรมวิจกรรมที่สุจริตมันก็มีท่านเนี้ยแนงน้กาก็อยู่ที่ความคิด ทีนี้ถ้าหากว่าทำชั่วมันก็ไม่อื่นไปจากประทุศร า, ายต่อชีวิตประทุษร า, ายต่อทรัพย์มีการล่วงละเมิดในทางเพศและพูดเทศพูดโสเสียพูดคำหยาพูดเหลวไหลพูดเพ้อเจ้าเพราะเราเห็นว่าอากุศลกรรมบทเจ็ดประการแรกเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเป็นเจตนาทมโดยตรง อยูออกมาทางกายแล้วก็ทางวาจามันกระทบตัวคนอื่นด้านบวกทังด้านบวกทางด้านลบแต่ส่วนมโนทุจริตที่จริงเป็นตัวประกอบคือตัวปรุงแต่งให้เกิดเจตนาะเพราะว่าสถานะของเขาจริงๆก็คือเป็นเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นปรุงจิตเพราะเราจะเห็นว่า ในอ ก, กุศลกบฏสิบหรือว่าอ ก, กุศลกบฏสิบเนี่ยมันก็กลายเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเหตุแห่งความเจริญของสังคมบางครับ้บางคราวกลุ่มแรงเหลือเกินแต่ก็จริงมันก็ไม่มีอะไรมันกคืออาการของราคะโลภโทสะโมหะที่แรงและขาดการกลับกับควบคุม จะเราจะเห็นว่ายังเหตุการณ์ในปัจจุบันที่ฟังข่าวคร า, าวต่างหนังสือพิมพ์บางคราวหรือของทางวิทยุมันก็รู้สึกสลดอตัวถูใจว่าเหตุการณ์ช น, นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเช่นคุณปู่อายุเจ็ดสิบสองคุณตาอายุหกสิบเก้าไปคุมคืนหลานสาวอายุหกขวบเราก็นึกไม่ออก ว่าเราคิดได้ยังไงทำได้ยังไจงจิตใจก็เป็นยังไงคนเติบโตมาในโลกตั้งหกทศวรรษเรียกว่าเกือบครึ่งร้อยเล ย, เลยเลยครึ่งร้อยไปแล้วอะแต่พฤติกรรมแล้วมันแสดงถึงในภายในใจมันไม่มีคุณธรรมอะไรเลยแล่ะ คุณธรรมของผู้ใหญ่คุณธรรมของความเป็นตาเป็นปูน่นี่ซึ่งมีหน้านะที่อุปบุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาพิบาลลูกหลานทำไมจึงออกมาในลักษณะยอย่างนั้เพราะเราจะเห็นว่ากระแสะของอกุศลกับกุศลเราจึงเจออยู่บ่อยก็เรียกว่าเป็นชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงได้อาศัยในย่าของอันตรกระถาปปัญญสูธนีเนี่ยที่ท่านขยายเอาไว้ก็นํามาบอกกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเอาไว้ว่าโดยเนื้อหาสาระที่เป็นเกณฑ์ในการกําหนดตัดสินมินิจฉัยถึงองค์ประกอบหมายความอย่างไรจึงเรียกองมุสาวาจอย่างไรเรียกปาณปฏิบตัตอย่างไรเรียกวการเมตสุเมชาจาย์อย่างไรเรียกว่า สอเสีอะไรเนี่ยมันจะมีองค์ต่างๆอย่างที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับทีนี้ในปานาติบาตมันมีสังขารที่มีชีวิตเนี่ยเป็นอารมณ์อธินาทา น, นไม่แน่คือมีชีวิตก็ได้ไม่มีชีวิตก็ได้ทีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการประพฤติมิจฉาจาร์เนี่ยก็มีสังขารเป็นอารมณ์ แต่ด้วยอำนาจแห่งการสัมผัสนะครับก็ที่จริงแล้วแต่เห็นได้ยินได้สูดดมได้ลิ้นได้จับต้องอนะแต่ว่ามันมันตัวเป็นกาเยสุเมชาจาร์เนี่ยมันต้องเกิดสัมผัสก็เรียกเป็นกายสัมผัสถ้ายังอื่นก็ยังไม่ถึงก็เป็นกาเยสุเมชาจาร์ บังครัมาคราร์ท่านบอกก็มีสัตว์เป็นอารมณ์ซึ่งแน่นอนโดยปกติแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นคือมาครา ม, มีสิ่งมีชีวิตเป็นอารมณ์ทีนี้มุสาวาตเนี่ยมันก็ไม่แน่กับด้วยสิ่งที่เรานำมาโกหกเนี่ยอาจจะพูดเรื่องมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้บางท่านเรียกว่ามีสัตว์เป็นอารมณ์บ้างมีสังขารเป็นอารมณ์บ้าง มิสุน า, ว า, า, า, า ว, วาจาการกล่าวสเสียดบรุสวาจาการกล่าวคำหยาบแต่ปกติแล้วก็ต้องมีสัตว์เป็นอารมณ์เป็นอย่างเดียวหรือว่าพูดเพอ้อเจอ้อเหลวไหลเนี่ยนั่นก็ไม่แน่นะคือเรื่องที่เรามาพูดก็อาจจะเพอ้อเจอ้อหลวไหแต่ว่าเราก็ต้องพูดกับคนเกิดแต่ไมีมีคนได้ยินมันก็ไม่เพื่อเจอ้อ ว่ า, ากุศลเหล่านี้มันจึงเป็นการประทุสร้ายต่อบคุคคลอื่นทีนี้พอมาถึงอภิชากับพยาบาทเนี่ยตามปกตินะอภิชาเนี่ยอาจจะมีสัตว์เป็นอารมณ์ก็ได้สังขารเป็นอารมณ์ก็ได้คือสิ่งที่เราเพ่งเล็งโลภอยากได้เนี่ยอาจจะเป็นวัตถุ ก, ก็ได้อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตก็ได้ พูด ง, ง่ายๆว่าเป็นได้ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแต่ว่าพยาบาทเนี่ยโดยปกติถ้าจิตมันปกติมันก็จะพยาบาทต่อสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าถ้าคนจิตไม่ปกติคือเราใจามันโกรธได้หมดเลยลมพัดก็โกรธแดดออกก็โกรธฝนตกก็โกรธเดินสะดุดต้นไม้ก็โกรธหมาเห่าก็โกรธอะไรแก่โกรธได้ทั้งนั้นนะ วันเกณฑ์ที่ท่านพูดเนี่ยแต่ปกติท่านจะพูดในสถานการณ์ปกติแต่ว่าธรรมะเนี่ยมันคือภาพสะท้อนจากจิตของมนุษย์คือบางทีเราก็ต้องเข้าใจมนุษย์ด้วยไม่ใช่ว่าพอปอนังสือว่าอย่างไงเลยเราต้องคิดอย่างนั้นเราต้องคิดจากใจเราด้วยยกตัวอย่างเช่นท่านสงเคราะห์ท่านจัดพวกมิจฉาทิจิเนี่ยว่าเป็นโลภะ ก็จะเห็นว่ามันที่จริงมันเป็นโมหะมันความเห็นผิดอ่ะทีนี้แล้วบางก็พร้อมจะเป็นอย่างอื่นจะหมายความว่าถ้าคนเห็นตามก็อยากให้คนอื่นเห็นตามตัวเองก็แสดงเป็นโลภะแต่ในขณะเดียวกันถ้าใครเห็นตามตัวเองเราเกิดโทสะเพราะมันจึงเป็นได้ทั้งโลภะทั้งโทสะแล้วก็ทั้งโมหะมันไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะโลภะ คือเป็นเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าเราเราไม่เคยคิดจากจิตเท่าไหร่คืเราจะคิดจากจากจากที่ท่านว่านะ่ะคือคนที่ว่าเนี่ยบางทีก็คือคือเป็นคนพูดคนหนึ่งอะ่ะนป็นคนคนหนึ่งที่ว่าพระอ า, า, าจารย์ที่จริงท่านก็ไม่ใช่พระอาหารหันต์หรอกท่านก็เป็นปุถุชนคนหนึ่งท่านก็มีความรอบรู้ในพุทธอธิบายแต่หมายความว่า บางเรื่องมันก็ไม่ได้หมายความมาต้องถูกต้องตามนั้นเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดถึงเนื้อหาสาระไว้ว่ากล่าวโดยเนื้อหาสาระเนี่ยคือเมื่อบอกว่าทำห ม, ม้ากเกิดในกิเลส ต, ต้องลดอกุศลเกิดในกุศลต้องลดอันนี้คือแน่นอนเลยกุศลอะไรอกุศลอะไรเป็นรายละเอียดทีนี้เราจะเห็นว่า วิชาทิฏฐิเนี่ยมันมีสังขารเป็นอารมณ์แล้วก็ด้วยอํานาจแห่งธรรมอันเป็นไปในภูมิทั้งสามฉะนั้นเราจะเห็นว่ า, าตราใดที่มีวิชาทิฏฐิอยู่เนี่ยการท่องเชื่ออยู่ในสังสารวัฏมันก็ต้องมีอยู่วิชาทิฏฐิบางอย่างก็แรงอย่างที่เราเคยเจอวิชาทิฏฐิประเภทที่เป็นนิยตามิชาทิฏฐิ เป็นความเห็นที่ดิ่งลงไปเลยปักลงไปเลยเป็นอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ถูกต้องทีนี้เราจะเห็นว่าโดยเวทนาเนี่ยปธิบัตมีเวทนาที่เป็นทุกข์หมายความมาคนที่ถูกฆ่าเนี่ยก็เป็นทุกข์ที่จริงผู้ฆ่าก็เป็นทุกข์แต่ว่า ส่วนปัจจุบันส่วนสังคมเนี่ยมันไม่แน่ส่วนผู้ฆ่าผู้ทุกข์ฆ่าเป็นเป็นทุกข์แน่นะแต่ผู้ฆ่าเนี่ยบางทีแกก็เป็นสุขนะที่ได้ทําคือบางครั้งมางคาวเราก็นึกไม่ออกอย่างเด็กบางทีเราเห็นเด็กไล่ตีสัตว์เอาไปอะไรเอาไปประทัดพอมาพูกกระหางสุนัขแล้วก็จุด สูดนักครอบอาปี๊ครอบสูดนักแล้วก็ตีขึ้นไม่ออกนึกไม่ออกว่าเธอคิดยังไงต่นนั้นคือจิตใจของเด็กที่ขาดวุฒิภาวะขาดจิตสำนึกแล้วขาดการฝึกปลืออบรมมาเพราะฉะนั้นเรามองให้เห็นแล้วเราจะเกิดความสงสารเธอ ที่เกิดมาแล้วก็เป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของกิเลส ย, ยอมสยบจำนวนในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็ไปสยบจำนวนพันเราจะเห็นว่าเช่นว่าคนที่ถูกฆ่าเนี่ยถ้าจับได้คือฆ่าเนี่ยมันมันกรอบมันเยอะเพราะมันมีสัตว์เป็นอารมณ์เนกรอบสัตว์มันเยอะ บางครั้งการฆ่าสัตว์สมมติผู้ฆ่าเนี่ยเขาอาจจะได้รับความสุขก็ได้อาจจะรับความดีใจก็ได้สะใจก็ได้แต่ผู้ผู้ถูกฆ่านี่เป็นทุกข์แน่แต่ทีนี้ถ้าเราถามช่วงสั้นชวงยาวเราเห็นผู้ฆ่าจะทุกข์มากกว่าผู้ถูกฆ่าเพราะอะไรผู้ฆ่าคนในโอกาสรอดยากคือเราอาจจะรอดจากกฎหมายของบ้านเมืองแต่ทุกใจเราจะไม่สงบ แล้วที่อย่างสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเป็นบาปรกรรมที่แรงเพราะว่าเจตนาต้องแรงความพยายามต้องมากคนอาจจะมีคุณไม่มากเพราบาปจึงจึงติดตามไปให้ผลไปสร้างพบสร้างชาติเช่นว่าทให้เกิดมาอายุสั้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นผลของปานาธติบาปแต่ผลผู้นี้ที่จริงพูดไม่ได้นะ เมื่ันก่อนอ่านข่าวรายลาราภาพยนต์ชื่ออะไรชื่อริชาร์ดเกียอะไรนี่นะที่แกนับถือพุทธเป็นคนที่คุ้นเคยสนิทสนมกับท่านดาราลั ม, มะคือที่เขาอธิบายเนี่ยถูกต้องเลยแม้แต่ว่าชีวิตที่ได้มาเนี่ยทำไมจึงพิกโรปิการทำไมจึงเตีย้ยทำไมจึงสูงย่องทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยที่จริงมันมันเกิดจากกรรมอัสรุก ถาเราไปสื่อสารอย่างนั้นกับคนทั่วไปมันไม่ได้เราะพื้นฐานความเชื่อของคนเนี่ยมันไปโอนถวายพระผู้เป็นเจ้าไว้หมดแล้วฝั่งใครพูดให้ฝืนกับไอ้ความเชื่อที่เขามีเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเพราะเราเห็นว่าเรื่องบางเรื่องอย่างมีหนังสือ เขียนว่าพระเจ้าของพระพุทธเจ้านะเขียนขนาดนั้นลพระเจ้าของพระพุทธเจ้าเรียก อ, ออกมาเป็นเล่มเล่มเล่มใหญ่ๆส่วนใหญ่จะเป็นพวกคริสในนิกายย่อยๆทั้งหลายนิกายเล็กๆทั้งหลายเนี่ยก็ ย, ยังไม่เคยพบเอกสารของโพรเตเ ต, ตันโดยตรง แต่ว่านิกายกลุ่มที่นอกจากคาทอลิกเนี่ยเราเคยเจอคาทอลิกเราก็เคยเจออันที่จริงความเชื่อมันเป็นเรื่องความเชื่อของเขาและทีนี้ถ้าความเชื่อของเราเนี่ยอยู่ในกรอบที่เราเชื่ออย่าไปเหยียบย่ำคนอื่นอย่าไปอ้างว่าพระพุทธเจ้าเป็นประกาศศกของพระเจ้าอย่างนี้มันมากไป เราก็สับสนอย่างที่มีการถามในวันจันทร์หลายหลายจันทร์มาแล้วนะคือถามคำถามลักษณะนี้แต่นี่มันมันเมื่อเมื่อความเชื่อเนี่ยเราต้องเขายกความเชื่อของกันในกัรแต่กงพูดเรื่องพระเจ้าเรื่องพระเท้าเราไม่ใช่ความเชื่อนะฮะเป็นความจรงิงพระเจ้าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์มีตัวตนอยู่จริงพิสูจน์ได้ทดสอบได้ ไปดูหลักฐานทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์ถ้าเรามีเงินไปขุดค้นที่อินเดียนีย่จะเจออะไรอีกเยอะเลยที่เป็นซากปรักหักพังสมัยเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยแน่นอนก็อยู่ใต้ดินแต่ดินไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะไม่น้อยกว่าสองเมตรครึ่งนี่นะก็ต้องขุดลงไปเยอะทีนี้เมื่อเราพูดความจริงเนี่ยเราก็พูดเฉพาะที่เป็นจริง เราไม่ได้พูดว่าพระเจ้าเป็นศาสดาของพระเจ้าเราไม่พูดเพราะเราไม่รู้พระเจ้าคืออะไรแต่เราก็พูดว่าพระเจ้าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตอนนี้คือข้อเท็จจริงในแง่มุมของปรติศาสตร์ที่มันจดจารึกเอาไว้ตั้งแต่ต้นแม้แต่การอุบัติในโลกเป็นที่ยอมรับในสังคมอารยัน แมในปัจจุบันไินเดียจะสร้างภาพยนตร์ที่เกี่ยวพระพุทธเจ้าขีดเขียนเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเขาก็จะบอกกฐินบิดาของเขาเนี่ยไปอัญเชิญพระพุทธเจ้ามาอุบัติในโลกส่วนจะอธิบายนอกลู่นอ ก, นอกทางไปบ้างก็เป็นเรื่องของเขาอันนี้เราเราเห็นว่าความเห็นถ้าผิดแล้วนี่มัน ทั้งเป็นาการทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะทีนี้พอมาถึงพวกอะไรพวกอธินาทานเนี่ยนะฮะอธินาทานเนี่ยเราจะเห็นว่ามืเวทนาสองนะคือคืออะไรคือสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เฉยๆก็ได้ก็แล้วแต่ มิชชาจารย์ก็มีเวทนาสองอาจจะสุรืุทุกคือคนบางคนมันด้านชานะแต่าบางอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันมีทุกข์กับมันสุขได้อย่างไงอะ่ะคนไปรักษาเขาเนี่ยคือมันเป็นปกตินิสัยเขาเป็นอาการด้านชาทางจิตจริงๆคนทำอย่างนี้มันไม่ควรจะเฉยๆหรอกมันก็ควรจะทุกข์ แต่บางคนก็ภาคภูมิใจนะที่ลักข้ามวยได้ก็กลายเป็นวีรกรรมเขาเพราะนั่นเรามองในแงน่ของว่าเออนี่มนุษย์ก็เป็นอย่างงี้นะแล้วก็มีคนไม่เห็น แ, แสดงว่าพระธาาจารย์เนี่ยท่านเข้าใจมนุษย์รู้จักมนุษย์ชัดเจนรู้จักมนุษย์ในความที่เป็นมนุษย์เป็นคนนะนะไม่ใช่เป็นมนุษย์หรอกถ้ามนุษย์มันกไ็ไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้ พระยาลืมมนุษย์เป็นชื่อของคุณธรรมมันมีเกณฑ์กำหนดมันมีมาตรวัดความเป็นมนุษย์อย่างที่เคยบรรยายลงซีดีของผลเอกเสรีพุกกมันนั้นเป็นหลากหลักฐานระดับบาลีเลยนะระดับบาลีแต่ว่าเรียกเนี่ยระดับอันตักรตาท่านเรียก ท่านบอกว่ากุศลก็ บ, บทสิบชื่อว่ามนุษยธรรมแต่ว่าธรรมะที่ทำคนให้เป็นมนุษย์คือตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าจะทรงเทศธรรมดาเรียบๆง่ายๆสื่อสารไปแล้วเข้าใจได้เลยแต่การอธิบายการวิเคราะห์อะไรต่ออะไรมากมาย่กยกองเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของคนรุ่นหลัง ก็มีการตีความอะไรกันเยอะเนี่ยที่จริงก็เป็นคนรุ่นหลังทีนี้เราเชิห็นว่าในในสุขเวทนาก็ดีนะอุเบกขาเวทนาก็ดีเป็นการเป็นพระจิตตัวการให้ตกลงปรงใจปรงใจแหล่ปรงใจรักปรงใจพ ร, ระพฤติมิจาจารย์ มุสาวาตก็มีเวทนาทั้งสามนะพูดไปแล้วอาจจะเกิดสุข ก, ก็ได้ทุกข์ก็ได้หรืออาจจะไม่ทุกข์ไม่สุข ก, ก็ได้ปิสุนาบาจา ก, ก็เหมือนกันคือสรุปว่าพวกวจีทุจริตเนี่ยมันก็จะมีเวทนาขนาดสองเนี่ยสองหรือสามเนี่ยนะประมาณสามฮนะพูดมุาาดดสาวาตผู้โสเยด ผู้คำยาพูดเพื่อเจวยเหลือหลายก็จะเกิดเวทนาสามเป็นความรู้สึกของผูพ้พูดแต่ผู้ฟังไม่แน่คือบางครั้งมาข่าวก็ถูกต้มมันก็เป็นทุกขเวทนาทีนี้อภิชานี่มีเวทนาสองเพ่งเล็งโลภอยากได้เนี่ยก็ด้วยหน้าแห่งสุขก็เวทนาก็อเบคาเวทนา นี้ถ้าถ้าเรามองจริงๆเน่ยเพ่งเลงโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นเนีอย่าลืมบางครั้งมันเกิดเป็นโทสะนะและ้วครั้งมันอยากจะแก้แค้นอะไระแล้วอยากยึดครองสิ่งเหล่านั้นมาไว้เป็นของตัวเองเนี่ยเพราะความรู้สึกจริงๆมันใจตัณาจริงมันเป็นโทสะแต่อาการเนี่ย มีได้สแสดงออกเป็นอาการของโลภะก็กลายเป็นกระบวนการทางจิตมิจฉาทิจิเนี่ยทัางบอกมีเวทนาสองเหมือนกันแต่เราเห็นว่าถ้าอาการด้านชาแกปักใจฝังใจเนี่ยคือแกไม่ได้คิดมันผิดแกคิดว่าแกถูกแล้วก็เหมือนก็คนที่ เอาพระเจ้ามาค่มขู่พระพุทธเจ้าเราเนี่ยเยขาคิดเาขาถูกโดยอาศัยความเชื่อที่จริงมันไม่ใช่เชิงความเห็นนะมันเป็นความเชื่อเชื่อก็จนกลายเป็นเห็นอย่างที่เชื่อเชื่ออย่างที่เห็นแล้วก็ไม่กล้าใช้เหตุผลแต่พวกนะี้พูดเหตุผลเขาไม่ได้ผู้เหตุผลจะเกิดโทสะเลย คือไม่เหมือนกับธรรมะธรรมะเนี่ยยยิ่งเราต้องการเหตุผลเราเอหิปสัสโกเชิญชวนชักชว น, ชว น, ชวนท้าทายมาพิสูจน์ทดสอบกันได้แต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาไม่ต้องการเหตุผลเพราะว่าเขาไม่เคยคิดเหตุผลเอาไวนะ้อะะแล้วบางอธิบายไม่ได้นะแม้แต่คำว่าถ่ายบาปอย่างเดียวเคยสังเกตว่าเราไปอบรมเด็กนี่ยมันจะเจอคำว่าถ่ายบาปนี่เยอะมาก พอเรียก็มีทุกครั้งที่มีการตอบปัญหาจะพูดถึงการถ่ายบาปเลยอธิบายเธอฟังว่ามันบาปแต่มันถ่ายไม่ได้หรอกมันเหมือนกับเราทำผิดไปแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขใหม่ไม่ได้หรอกแก้ไขใหม่ก็ทำใหม่เวลาใหม่เจตนาใหม่อายุเราก็ยอายุใหม่อะไรมันใหม่หมดละ เพราะถเรามองในแง่ของขันธะที่ท่านบอกว่ากัตตาศาสตร์นัติปฏิการังสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้โอลักษณะทั้งหลายมันเลื่อนไหลไม่นิ่งเลยนยนะจะทำคืนได้ไงแต่ทำมันก็ทำไม่แต่ว่าบาปมันก็บาปไปแล้วไปเปลี่ยนแปลงที่บาปซึ่งทำไปแล้วไม่ได้นั้นเราจะเห็นว่าความเห็นเหล่านี้คือคือถ้าเอาเหตุผลเอาสติปัญญาเข้ามาจับ เราจะเห็นว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องความเชื่อความเชื่อมันสะสมจนกลายเป็นความเชื่อทีนี้ปัญหาว่าตั้งต้นมาอย่างไงล่ะเราพูดถึงพระเจ้าถ่ายบาปมาถ่ายบาปมนุษย์บาบามันเกิดยังไงเกิดมาจากอันดามกบอีปไปกินแอปเปิลในสวนอีเดนแอปเปิลของใครแอปเปิลของพระเจ้าเปขนากินแอปเปิลเนี่ยบาปขนาดนั้นล่ะ เราก็นึกไม่ออกอะเรานึกว่าทําไมต้องบาปขนาดนั้นนะลูกกินสมบัติของพ่อยังต้องมีบาปขนาดนั้นจะล่ะเอาแหละสมมติว่าบาปแล้วก็ไหนว่าพระเยซูมาถ่ายบาปแล้วไงบาปมันน่าจะหมดไปแล้วทําไมบาปยังอยู่ท่าเดิมมากกว่าเดิมด้วยอีกอันนีค้คือเราจะเห็นว่าพอเอาอปัญญาเข้ามาคิดเข้ามาวิเคราะห์เข้ามาจับเนี่ยมันจะมีปัญหา เจอปัญหาข้อยุติไม่ได้เรื่องเหล่านี้ตามปกติแล้วเนี่ยเลยเขาไม่เคยพูดเพราะว่าถ้าพูดก็พูดตามความเชื่อคือหลายต่างกันไปเลยแต่พูดตามความเห็นไม่ก็ได้เพราะการเห็นมันต้องมีเหตุผลมีมีหลักฐานมีข้อพิสูจน์ทดสอบมันต้องพิสูจน์ได้พยาบาทเราเห็นว่ามีทุกขเวทนา คนพยาบาทนะคนตัวคนที่มีความพยาบาทอยู่ภายในใจเนะี่ยจะประสบทุกขเวทนาทีนี้ท่านก็บอกว่ามองในมิติของอกุศลตรงนี้ที่จริงเขาเป็นอกุศล น, นะฮะเธอทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นอกุศลอกุศลกบฏ ท, ทั้งหมดก็เป็นอกุศล แต่ทีนี้ท่านก็บอกว่าปาณาธิบาตเนี่ยมีกุศลสองอย่างเป็นมูลประกอบด้วยด้วยอำนาจของโทสะและก็โมหะอั น, นี้ไม่ค่อยจริงฮะอันนี้คือคือว่า ค, ค, ค, ค, คือท่านไม่มองว่าการฆ่าส่วนใหญ่เนี่ยมันฆ่าพโลภะจับปลงจับปลาเนี่ยมันจับด้วยโลภะโมหนะนั้นแน่นอนแหละแกไม่รูปอรูบุลคุณโทษแต่ว่าแกไม่มีโทสะหรอก คือถ้าเรามาคิดดูอีกทีหนึ่งเอเราจะเห็นว่าบางทีพระอาจารย์แล้วก็ไม่จะเข้าใจถูกหมดเลยนะคือคือการมองเนี่ยมองที่พุทธพจน์อะเป็นหลักเอาไว้พระอาจารย์ถือว่ามาเสริมเติมความรู้เราเห็นด้วยทุกอย่างมันก็ไม่ดีหรอกคือบางอย่างก็ไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับท่านอันที่นาทานเนี่ยก็มีกุศลสองอย่าง ต่วโยอำนาโทสะและก็โมหะก็อีกอหะโดยฉะนั้นการรักทรัพย์อย่างส่วนใหญ่มเป็นโลภะกับโมหะไอโทสะนี่ส่วนใหญ่มันจะเป็นแก้แค้นฉะนว่าพวกไปตัดยางตัดไอลองกล้องก็พักได้อย่างนี้โดยฉะนั้นนั่นคือโมหะแล้วก็ไม่แน่หรอกบางทีมเป็นโทสะคือเขาโกรธ แต่บางทีก็ไม่แน่อีกอ่ะคือโค้นลงมาแล้วเอาลูกมันไปก็แสดงวมม่มีโลภะมีโลภะก็โทสะคือเคยตั้งข้อสังเกตว่าให้คิดถึงถึงภาคสนามนีว่ามันเป็นยังไงภาสนามจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงแต่เช่นสมมุติว่ามุสาวาที่มีสัตว์เป็นอารมณ์ถ้ามันมีสัตว์เป็นอารมณ์บ้างก็ ม, ม, ม, ง ม, มีสังขารแปรปรวนบ้าง ปัญหาสําคัญว่าไปเราทําไปเนี่ยมันอาจจะทําด้วยโทสะก็ได้ตอนการจะแก้แค้นอาจจะโมหะคือไม่รู้เรื่องอะไรก็ได้หรืออาจจะโลภะหลอกลวงเพื่อกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆก็ได้เพราะมันไม่ใช่หยุดคือถ้าหยุดเดี๋ยมันกระปวดเป็นเรื่องขณะขณะเนี่ยพูดได้แต่ที่ไอ้ขณะนี่เอามาพูดในที่ทั่วไปมันก็ไม่ได้ คือก็ตามกันไม่ค่ยทันก็ยังมีอย่างแฝนรายการบรรจันเนี่ยก็มีอยู่เสียงหนึ่งก็รู้สึกเป็นคนยังหนุ่มอยู่ชอบถามเรื่องอพิธรรมเละคือมันก็ถามได้ก็ตอบได้แต่ว่ามันมในสถานที่เช่นนั้นเนี่ยคือถ้าตอบเี๋ยมันต้องนั่งคุยกันนะเพราะคนทั่วไปนี่เขาไม่ไม่ได้เรียนอพิธรรม คือการเอ า, เอาเอาเอามาพูดในที่ในในปริสันยุตานี่เราต้องรู้ไอปริสันยุตาอย่างนี้เนี่ยเขาไม่พูดพาพูดแล้วมันเป็นการโอร้อวดหรือแสดงว่าเรารู้ธรรมะลึกซึ้งแล้วบางทีก็อย่างเงี้ยอย่งมีพูดเรื่องจิตว่างไม่ว่างอะไรต่างๆก็พูดทําไมคือเราเห็นว่ามันเจตนาจะด่าหลวงพ่อพุทธทาสจิตมันไม่ว่างหรอกพระอาหาันจิตก็ไม่ว่างเดี๋ ว, ว่างจยางกิเลส มันไม่มีกิเลสเขามาว่างนี่คือว่างจากกิเลสแต่จิตมันต้องมีเครื่องปรุงแต่งแม้แต่โลกุตะกุสลมันก็มีมีแน่ น, นอนมันเป็นวิสังขารแต่ก็มีกุศลในจิตอ่ะคือคือที่จริงวิสังขารในที่นี้ก็ต้องหมายถึงปราศจากกิเลสมิพานแปลว่าปราศจากปัญหาเป็นเครื่องร้อยรัด แต่ก็ต้องมีธรรมะเพรานโดยโดยโด ย, โดยพื้นฐานขององกุศลเนี่ยเราเห็นว่ามิจฉาจาร์เนี่ยมันก็อีกแหละคือท่านบอกว่ามันเกิดด้วยโลภะกับโมหะคือบางชีเนี่ยมันแก้แค้นก็มีนะมิจฉาจาร์เนี่ยมันเกิดจากโทสะ ใช่วากฎคนคนนั้นหรือโกรสามีของคนนั้ น, นต้องการจะแก้แค้นได้ไปข่มขืนพัญญาเขาไปตัวเหตุจริงๆมันเป็นโทสะโมหนะนนไม่ต้องพูดเกเขาก็มีอยู่คือสรุปแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยนะทั้งทั้งหมดเอาแล้วกันคือว่ามันเกิดขึ้นด้วยเจตนาที่เป็นอกุศลตัวเหตุได้เกิดเนี่ย ทั้งหมดมันเป็นราคาโะโลภโทสะโมหะกันนึกอย่างนี้ว่ากันแล้วกันคือคงจำไม่ได้หรอกคนทั่วไปคงจำไม่ได้หรอกแต่ว่าพระธราจารย์ท่านให้รายละเอียดซึ่งมันก็ดีในแง่ของการทำความเข้าใจในแง่ของการคิดขยายผลต่อไปทีนี้ก็เรามาดูในส่วนของมโนทุจริต ท่านบอกว่าอภิชาเมีกุศลอย่างเดียวเป็นมูลเรื่มหน้าแทงโมฆะไอ้เร่องก็แปลกคือเราจะเห็นว่าเพ่งเลงโลภอยากได้เนี่ยคือบางคนจะเกิดจากโทสะแต่จากคนจะเกิดจากโลภะทีนี้ต้องการโลภอยากได้เนี่ยบางทีมันอาจจะมาจากเราไม่ชอบเขาอะไอ้นี่มันเก่งมันรวยมันเด่นมันดัง เลยแย่งใช่ไหมตัวเหตุที่เกิดมันก็เป็นเป็นโทสะเพราะฉะั้นเราเราต้องนึกไว้ทั้งสามข้ออย่างที่บอกว่าการให้ทานเนี่ยคือถ้าเราแยกเลยเราจะชัดหนัทานเนี่ยมันเป็นเป็นกุศลและเจตนาเป็นจากะเจตนาเป็นเจตนาที่จะบริจาคมันเกิดขึ้นทีนี้เราเราก็ต้องต้องไม่ลืมว่าในการในการให้ทานเนี่ย มันมีสิ่งที่เราให้มันมีผู้รับมันมีเจตนาในการให้ก็แสดงว่ามันมีองค์ประกอบอยุติมองค์ประกอบในคนที่เราจะให้เนี่ยถามว่าถ้าเราเกลียดเขาเนี่ยเราให้ได้ไหมถ้าเราอยากอยากได้ของของเขาเราอาจจะให้ได้นะอ๋อเหยื่อให้ไปอ๋อเหยื่อทีนี้ถ้าของเนี่ยถ้าเรายังตัีฑ์โยเสียดายเนี่ยเราจะให้ได้ไหม และเจตนาถ้าเราไม่รู้คุณค่า้องการให้เราจะให้ไหมยกเว้นจะตกเบ็ดนะยกเว้นแต่อยเหยื่อเราเจ็นว่าจริงๆเนี่ยตัวเจตนามันไปลดมโมหะตัวคนเนี่ยไปลดที่โทสะและตัวของเนี่ยไปลดที่โลภะมัจฉริยะมันก็กลายเป็นฐานคิดมาเพราะนั้นถามว่าพระอาจารย์ว่าเป็นท่านไม่ว่าหรอก ต่นว่าไว้แต่เรามาดูให้คือว่าคิดอีกชั้นหนึ่งอะ่ะคืออย่าไปคิดตามกรอบที่ทันติท่านบอกคิดเราคิดอีกท่าน อ, อีกจุดหนึ่งว่ามันมันจะสะดุดทันทีเลยเช่นสมมติว่าเราไม่เกลียดคนหรอกแล้วเราก็ไม่เสียดายของหรอกแต่เราไม่เห็นประโยชน์จากการให้จิตมันมีโมหะอยู่มันก็ไม่ให้ไปจบลงในการไม่ให้เพรันพยาบาทเนี่ย ที่ท่านบอกว่ามันเกิดขึ้นด้วยแบบเดียวกับพิจากณ์อีกกระยาบาตต้องเกิดขึ้น้วยโทสะมันเกิดขึ้นจากโทสะบ้างนะฮะแล้วเกิดขึ้นจากโมหะบ้างเรานึกว่าที่เราพยาบาทเนี่ยคือบางทีไม่มีเหตุผลอะไรไปพยาบาททาไมนันแสดงว่ามันมันมันมีโมหะ อย่างว่าคนไปโกรธไปโกรธสุนักเนี่ยสุนักเขาแล้วก็ลงกลางดึกไปทะเลาะ ก, กับสุนักเนี่ยเอ๊มโกรธมันทาไมนั้นก็แสดงว่าที่ลงไปไล่ตีสุนักเนี่ยมันก็เกิดจากโทสะก็คือพยาบาทแต่ก็มันก็ไม่ได้เกิดจากโทสะอย่างเดียวนะฮะบางทีก็เกิดจากโลภะก็ได้มิจฉาทิฏฐิ นะโดยเชิงที่เป็นอกุศลก็บอกว่าเป็นอาการของโลภะและโมหะอันนี่ถ้าเรามองกลับอีกเที่ยหนึ่งถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่เห็นตามเนี่ยเราจะเกิดโทสะเห็นไหมพวกลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยก็คือมิจฉาทิฏฐิแล้วมันฆ่าคนยาเย อ, อะเลยเพราะอะไรเพราะไม่เห็นตามที่เขาเห็นน่ะมันบังคับเชื่อ คือต้องเชื่ออย่างที่ฉันเชื่อศา ส, สนาบางศาสนาเผยแผ่แบบวังทับข่าคนเยอะเราต้องเชื่ออย่างที่ฉันเชื่อถ้าทํานไม่เชื่อถ้าไม่เชื่ออย่างที่ฉันเชื่อก็ตายรลายเป็นการที่ใครยอมกครอยู่ใครขวางใครอดอันนคือลักษณะของของพวกกิเลสทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าอากุศลธรรมชื่อว่าโลภะเพราะอยากได้ชื่อว่าโทสะเพราะปฏิสุร้ายชื่อว่าโมหะเพราะหลง ที่นี้จํานวนอกุศลธรรมทั้งสามอย่างเนี่ยเรภาพเป็นอกุศลละมูลเพราะตัวมันเองเป็นอกุศลมีโทษแล้วก็มีทุกข์เป็นวิบากแล้วก็เป็นรากง้าของข อ, งอกุศลทั้งหลายเราพอธรรมนังปริปันโถนี่ความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายเมื่อวันที่อะไรวันที่สิบเอ็ ตุราคมที่ผ่านมาเนี่ยได้ฟังผู้อำนวยการสานักพุพทธศาสนาสานักพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานีรายงานว่าจังหวัดปัตตานีเนี่ยไม่มีวัดที่เขาจองกัะฉินอยู่ยี่สิบกว่าวัดแลวเชิญชวนหาเจ้าภาพมันก็ตื่นเต้นเกินเหตุนะยังอตั้งนานนะยัไม่ได้ออกพรรษาเลย แล้วอยู่ออกพรรษาแล้วตั้งเดือนเนี่ยทีนี้แกก็บอกว่าบางวัดี่มีอยู่กี่วัดเนี่ยไม่มีพระครบจำนวนต้องการจะหาพระมาจาพรรษาให้ครบทำยังไงจำพรรษายังไงไอเ น, นี้ยคือคือสำนักพูดไม่รู้เรื่องขนาดนี้ไปพูดได้ไงเอามาจำพรรษาได้ยังไงมันเลยมันแล้ว คือพระที่จําพรรษาหลังบอดพรรษาขึ้นเก้าขึ้นขึ้นหนึ่งค่เดือนที่เอ็ดขึ้นไม่ใช่ขึ้นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเดือนเก้า น, นะฮะก็เรียกพรรษาหลังท่านจะออกวันเพ็ญเดือนเดือนสิบสองพอดีคือหมดหมดระยะกระถินพอดีวันนั้นเลยท่านได้พรรษาแต่ไม่ได้อานิสงส์เพื่อการกระถิน่นแต่นี่มือเดือนสิบเอ็ดแล้ว เอาพระมาจำมันษาคุณหมายความยังไงครับมาจำมันษาเนี่ยคนสำนักพูดเดี่ยมันต้องเปิดอบรมวิทยากรของตัวเองให้รู้เข้าใจในเรื่องประธ ร, รมวิ น, นัยถ้าไม่รู้อย่าพูดพูดเดี๋มันยุ่งพูดยุ่งบ่อยแล้วกันคือพูดเกินที่รู้นะ่ะเอาเฉพาะที่รู้สิอันนี้มันเรื่องวินัยไม่ใช่เรื่องกฎหมายสมมติถ้าคุณไปเอาพระมาก็ได้ แต่ว่ามีสิทธิ์รับไหมก็มีสิทธิ์รับแต่ไม่เป็นกรถินการกลานไม่เป็นอันกรารหมายความไงหมายความมาโลบแล้วก็เป็นหลอกลวงยาบ้านคุณไปบอกข้อกรถินมันไม่เป็นกระถินน่ะคุณบอกว่าผ้าป่าที่ทาไมจะต้องเป็นกระินนระถินมันมีอานิสงส์สมบัติพระห้าข้อมันไม่จําเป็นอะไรเราสมัยเนี้ยอานิสงส์ห้าข้อเนี้ย เป็นสังกกรรมที่ยังนึกว่าพระพุทธเจ้าต้องการจะพิสูจน์คณะสงฆ์ได้ําไปคือในฐานะที่เป็นพระเนี่ยคือเราไม่นึกว่ามันความจเป็นอะไรรับหรือไม่รับมันมีจำเป็นอะไรพระนิสงส์เราก็มีหรือไม่มีมันก็ไม่แปลกอะไรอะ่ะมันเป็นวินัยระดับอาบัติไม่มากแล้วเราก็ไม่ล่งลวงละเมิดกันอยู่แล้วถึงยกเว้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ยกเว้นอะ่ะ ก็ยังคงปฏิบัติอยูน่นะแต่มันเป็นวิธีอย่างหนึ่งที่ต้องการพิสูจน์ว่าพระนิสามัญคีกันไหมเพราะมีการอับปโลกัมีการผ้ากระถิ่นในผ้าผืนเดียวนะฮะที่ยิ่งมีภาพพืนเดียวแต่เองแเด็ก เ, เขาก็มามันตกลงถ้ากลางสงูงซึ่งสูงจะต้องเลือกพระองค์หนึ่งให้เป็นผู้รับ โดยหลักคำวิัยเนี่ยไม่เจาะจองว่าคนนั้นคนนี้รับหรอกแต่เป็นมติของสงฆ์ทุกวันมันก็ทำเป็นฟอร์มไปแล้วมันเป็นรูปแบบพิธีกรรมไปแล้วว่าคือสมภารนะรับกครเงินการกระทิ่นก็รู้กันตั้งแต่ต้นนะ่ะอับโบกมันจึงเป็นรูปของของสังกักรรมเฉยๆเป็นยติทุติยกรรมว่าจาแล้วทีนี้ ตอนทำเนี่ยท่านบังคับให้ทำเสร็จในวันนั้นแต่ก่อนเนี่ยเอาขนาดว่าตัดเองนะฮะกเองตัดเองเองย็บเองย้อมเองทำให้แห้งเองแล้วก็กลานเองให้เสร็จในคืนนั้น ซ, ซึ่งต้องใช้ขนมากใช้ความร่วมแรงร่วมใจกันมากแล้วยังมีการสวดกระถินญาถาระกะโอ้โหยาวเยียดยังมามามองเออเป็นวิธีสร้างสามาัคคีและเป็นเป็นคล้ายๆกับตรวจสอบพระ ยังงอยู่กันหนึ่งพรรษานี่ทะเลาะกันว่าเราแล้วว่าพระเกิดทะเลาะกันเนี่ยทําไปจะไมหละกฐินเพราะฉะนั้นจึงเป็นบทพิสูจน์บทพิสูจน์อย่างหนึ่งถ้าพูดถึงถึงความจําเป็นเนี่ยที่จริงเมรเนี่ยเขาต้องการเงินจากกฐินมากกว่าเรียต้องการบริวารโดยกฐินมากกว่าเพราะอันนี้คือโลภมากไปพอโลภมากไปมันเกิดโมหะมันไม่ได้นึกว่าเออไ อ, อ, อันนี้มันถูกต้องเหรอ คือลืมวาปัญหาเรื่องวินัยเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่เราพูดเราเองวินัยคือวินัยอ่ะผู้เจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างไงคืออย่างนั้นหละคุณจะมานั่งอธิบายเอาเองไม่ได้หรอกวินัยเขามีวัตถุประสงค์มีเจตนาลมในการบัญญัติดึงนั้นเราต้องทําทํามเข้าใจเราต้องศึกษา พระไตรบิดกพระวินัยบิดกแล้วก็ศึกษาสมันตะภาสาธิการศึกษาการอธิบายต่างๆในกาทำความเข้าใจวันการพูดเรื่อ ง, องวินัยถ้าคนไม่เคยบวชเรียนมาเนี่ยนะคืออาจจะพูดได้ในบางระดับแต่บางระดับต้พูดยากเพราะมันจะไปกระทบตรงอื่นวินัยจะเหมือนกฎหมายเนี่ยคือมันไม่ผิดทั้งมตัตราหรอก เดีวกฎหมายมันมีตั้งหลายวัดมันมันจะผิดวัดใดวัดหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้วในขณะเดียวกันมันก็อยู่ในมาตราอื่นๆอยู่ในมาตราอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องเราเนี่ยอยู่ในมาตราอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกฎหมายคล้ายๆกรัฐธรรมนูญคล้ายๆกฎหมายฮนะคล้ายๆกฎหมายทั้งหลายเนี่ย คือมันไม่เสร็จที่ข้อใดข้อหนึ่งนี่ใดจะมีลับธนาตอย่างนั้นไอ้นี้คอค่าเออเราหาพระมาครบแล้วเราจะรับปทิได้มันไม่ได้เพระเงื่อนไขนี่มันจะเกิดแก่พระซึ่งบวชแล้วก็อยู่จำพรรษาในที่นั้นโดยไม่ขาดตลอดใจมากเกือตลอดสามเดือนแล้วต้องเป็นพระที่จำพรรษาในวันขึ้นสิบห้า่เดือนแปดถ้า ข้าพรนศาหลังเนี่ยรับกรถิ่นไม่ได้แต่ได้เฉพาะอนิสงส์พันศาอนิสงกระถินไม่ได้เพราะคือคือเป็นห่วงสำนักพุทธเวรเนี่ยคือเราไปเอาพวกค้าราชการครูมาเป็นผู้นวยการแล้วก็เธอไม่ศึกษาต่อแล้วเธอก็ชอบพูดชอบแสดงความเห็นพอแสดงความเห็นมันก็ยุ่ง อันนี่คือคือคือเรื่องเรื่องศาสนาจะจะต้องมีความระเมียดละไม่ในกรณีของนะในกรณีของพระวินัยทีนี้ในกรณีของระดับอพิธรรมเนี่ยเราก็ต้องมองปริสันยุตาคือมันความเราเรียนรู้เราทำความเข้าใจแต่เราไม่เอามาพูดหรอกแต่เราจะอธิบายลักษณะสผสมกลมกลืนกันไปในภาษาที่ง่ายต่อการสื่อสารง่ายต่อการทำความเข้าใจกัน มันไม่ใช่พูดให้เขารู้ว่าฉันรู้อะไรแต่พูดเพื่อให้เขารู้อะไรคือพวกฟังจะรับประโยชน์อะไรจากการพูดเพราะการเทศเนี่ยการเทศจึงมีองค์ประกอบมีหลักเขาไม่ทำกรถึกซึ่งพระเจ้สงฆ์วางไว้หประการแล้วก็วางไว้ในที่ถกอีกหกข้อด้วยกันเพราะนพระเองก็ต้องมองต้องมองตรงนี้โอ้มันสอดรับกับองค์กขาไปทำกระถึกไหมสอนรับเรื่องทิศถกไหม หน้าที่ของสัมมนาปราบเนี่ยมิจะต้องมองตัวนี้ด้วยต้องฟังเท่าไรเสียงธรรมจากหมหาชัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังเท่าไรโดยทั่วกันสวัสดี